หมูสัตว์ในโลกนี้ที่มีกิเลสดุดทุลีในดวงตาน้ะ ย, ยังมีอยู่ขอพระองค์ทรงเอ็นดูกรุณาแสดงธรรมโปรดหมูสัตว์นี้ด้วยเถิดเนี่นะเพราะฉะนั้นข้าแต่พระผู้นำขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโปรดแสดงอมะตะบทโปรดแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายอันนี้ก็เป็นคำปันสรุปว่าเอ่ยคำเนียที่พรหมรากานาเนี่ยรากนาเมื่อไหร่ อันนี้อธิบายคำแรกนะอธิบายคำถามที่ว่ามันมีสี่คำถามนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพรหมาราธนาให้แสดงธรรมเมื่อไหร่คาฐานี้ใครกล่าวใครยกขึ้นก ล, ากลาออ่าวกล่าวเมื่อไร่กล่าวที่ไหนก็บอกว่าเออพรหมเนี่ยอาราธนาพระพุทธเจ้าสัปดาห์ที่8ดหลังจากตรัสรู้เนี่ยนะท่านก็ได้ตอบไปแล้วส่วนค่าฐาที่บอกว่าคาฐานี้ท่านกล่าวเมื่อไหร่ก็บอกว่ากล่าวกล่าวอีกครั้งเมื่อไหรบอกว่ากล่าวเมื่อทําสังขานาครั้งแรก สังคยาใหญ่ครั้งแรกในการสังคยนาใหญ่ครั้งแรกนั้นมีอยู่ในสังคีตคันธกะก็คือในคันธกะในพระวินัยนะก็มีการกล่าวถึงการสังคยาของพระเทระทั้งหลายมีพระอนุ์เป็นต้นมันก็มีการกล่าวเมื่อไหร่บอกว่าหลังจากที่พรหมรัตนาก็มีการกล่าวในพุทธพจน์หลายแห่งด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็มีการกล่าวรวบรวมตอนทาสังขยา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 อันนะได้สร้างมณดบอันนี้ไว้ใกล้ประตูสัตบัญญครูหาข้างภูเขาเวปาระพระนครราชครึกเพื่อทําสังขยนาพระธรรมได้กล่าวเอาไว้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องให้รู้ว่าคํานี้คําที่พระมราธาณากล่าวครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แปดคาถาเนี่ยยกขึ้นกล่าวเมื่อทําสังขยานาครั้งที่แรกแล้วก็พระนน์เนี่ยยกขึ้นกล่าวเนี่ยนะพระนน์ยกขึ้นกล่าวสมัยทําสังขยนา มันก็ท่านบอกว่าตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะพูดเฉพาะบทที่ยากเท่านั้นก็รายละเอียดที่เหลือก็เป็นเกี่ยวกับพรหมศัพท์ว่าคําว่าพรหมมาจโลกาเนี่ยนะคำว่าพรหมเนี่ยโดยศับเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรโดยศัพ์พรหมนี่แปลว่าผู้เจริญเจริญด้วยอะไรก็เจริญด้วยคุณวิเศษนั้นนั้นมันคำว่าพรหมเนี่ยมีความหมายว่าผู้เจริญด้วยคุณวิเศษผู้มีคุณวิเศษชื่อว่าพรหมแต่พรหมศัพ์ คำว่าพรมเนี่ยนะในพระไตรปิฎกตรงนี้ท่านบอกว่ามีห้าอัดยกมาให้ดูห้าอัฏฐะคือมีห้าความหมายนะไม่ใช่ไปเจอคําว่าบรมสัพพมาบรมสัพในพระไตรปิฎกแล้วไปแปลว่ามหาพรมทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าในพระไตรปิฎกใช้อยู่ห้าความหมายความหมายว่าหนึ่งมหาพรมคือพรมจริงๆเลยแหละความหมายที่สองหมายถึงพราหมณ์ความหมายที่สหมายถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ความหมายที่หพรหมนั้นหมายถึงบิดามารดาคือพ่อแม่ความหมายสุดท้ายบอกว่าผู้ประเสริฐสุดเป็นต้นนะยังมีอย่างอื่นอีกที่ไม่ได้ยกมาแสดงยกตัวอย่างแรกว่าสัพว่าพรหมเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเช่นในประโยคเป็นต้นว่าทวิสหัสโสบรามามหาพรหมสองพันอันนี้ในมัชฌิมานิกายที่กล่าวถึงแม้กระทั่งในหลายสูตรที่กล่าวถึงว่าพรหมที่มีรมัศมีมีอำนาจได้สองพัน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 ส่วนในที่สองเนี่ยสาวพรมนั้นหมายถึงพราหมณ์หมายถึงพราหมณ์ที่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะลูกศิษย์ของพรามณ์พาวรีไปเล่าให้พราหมณ์าวรีฟังว่าคือพราหมณ์าวรีเนี่ยส่งลูกศิษย์ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปเฝ้าพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็บรรลุ ก, กันหมดส่วนท่านปิงคียะเนี่ยนะท่านปิงคียะนี่ก็กลับไปเล่าให้พราหมณ์พาวรีฟังว่าตโมโนโถพุทโธสมันตาจักขู โลกันตะคูสัพพะภาวะติวัตโตอนาสโวะสัพพะทุกขับปะหีโนสัจวะหาโยบรเมอุปาสิโตเมนสัจวะหาโยบรเมอุปาสิโตเมไอ้บรเมตัวนั้นอ่ะแปลว่าดูก่อนพราหม์พราหม์ตัวนี้หมายถึงภาวรีพราหม์นะนะดูก่อนพราหมณ์บรเมดูก่อนพราหม์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพุทโธคือพระพุทธเจ้า โมนุโทผู้บรรเทาความมืดสมันตาจักขุผู้มีพระจักสุรอบพอบโลกันตะขูผู้ถึงที่สุดแห่งโลกคือบุญิพันสัพพะภาวาติวตัตโตทรงล่วงพบทั้งปวงอนาสโวไม่มีอาสวะสัพพะทุกขะปะฮีโนทรงละทุกได้หมดแล้วสัจจะวะหโย ο, เรียกกันว่าพระสัจจะคือผู้จริงแท้เนี่ยองค์นี้ของจริงว่า ง, งั้นเถอะ เราเนี่ยเข้าไปเฝ้าอย่างใกล้ชิดแล้วนะก็คือหลานเนี่ยคือปิงคยะเนี่ยพระปิงคยะเนี่ยก็ไปเล่าให้ลุงฟังนะลุงคือภาวรีพราหมฟังว่าเขาไปพบปร พ, รพระพุทธเจ้ามาจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นของแท้นะนะไม่ใช่คําแต่คําลวงใช่แต่คําโฆษณาแต่ที่แท้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงแต่ว่าคําว่าสัจวะหายโยบรัมเมอุปาสิโตเมเนี่ยบรัมเมตัวนั้นเนี่ยหมายถึงพราหมนะนะเป็นเป็นคําที่ ลกเสรกล่าวกับอาจารย์เนี่ยนะที่หมายถึงวันณพราหมณ์บรมเมศหมายถึงจริงๆโดยศัพท์แปลว่าพรมแต่ว่ามีความหมายว่าพราหมณ์หมายถึงพราหมณ์โดยชาติกําเนิดส่วนอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงว่าพระตถาคตอย่างว่าบรัมมาติโคภิกเวตถาคตาเัเตศตังอธิวจนะดูก่อนพิสูจน์ต่งหลายคําว่าพรมนี่แลเป็นชื่อของพระตถาคตเนี่ยนะในบางสูตรเนี่ยคำว่าพรมนั้นหมายถึงพระองค์เองคือพระตถาคตนั่นแล ในบางสูตรเนี่ยนะอย่างเช่นในอังคุตรนิกายทุกขะนิบาตท่านก็บอกว่าคําว่าพรมเนี่ยหมายถึงมารดาปิดาเช่นว่าคําว่าบรัมมาติมาตาปิตโรปุภาจริยติวุจเรแปลว่ามารดาบิดามารดาปิดาเราตถาคตเรียกว่าพรมมารดาบิดานี่เรียกว่าบุรพาจารย์บรัมมาติก็คือพรมพรมก็หมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยคือผู้ประเสริฐแท้ หรือว่าเรียกว่าอาจารย์ท่านแรกอาจารย์ตอนต้นก็ได้นีนะถามว่าใครสอนให้อาบน้ําล้างหนะ้าแปรงฟันขัดอุจจาระปัสสวะเป็นต้นเนี่ยใครสอนบอกว่าพ่อแม่ทั้งนั้นแหละมันจะเรียกว่าปุพพาจริยาว่าบุระาจารย์เหมือนั้นนะอาจารย์คนแรกเลยที่สอนทุกเรื่องสอนทุกอย่างเหมือนกันบางทีนั้นคําว่าพรมนั้นหมายถึงคำว่าประเสริฐเหมือนกันเช่น บรมจักกังปวัตเตติเนี่ยบรมจักกังเรียกว่าประกาศพรหมจักให้เป็นไปหรือว่ายังพรหมจักให้เป็นไปพรหมจักอันนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงธรรมจักนั่นแหละธรรมจักกังบรมจักกังก็คือมีความหมายว่าประเสริฐมากคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่สิ่งธรรมดาเพราะว่าเสียงเหล่านี้สามารถนําออกจากทุกได้นี่พูดมาซะยืดเลยแล้วถามว่าพรหมศัพท์ในคําว่าพรหมาจโลกาพรหมะตัวนั้นหมายถึงใคร บอกว่าหมายถึงผู้เจริญปฐมฌานอันประณีตแล้วบังเกิดในภูมิแห่งปฐมฌานหมายเรียกว่ามหาพรหมมหาพรหมไม่มีอายออุกับหนึ่งคือเขามีพรหมเนี่ยนะพรมหมเน่ยเขามีพรหมปฐมฌานภูมินี่มีอยู่สามอย่างคือปริสัชฌาพรหมปุโรหิตาพรหมแล้วก็มหาพรหมเนี่ยนะเขาก็แบบมหาพรา ม, มาเนี่ยปริสัชฌาพรมมาปุโรหิตาพรมมาแล้วก็ มหาบรห ม, มาที่ที่เขามีในธรรมจักระนะบางแห่งก็จะมีสวดในลักษณะนั้นเพราะนั้นคำว่าพรหมหมายถึงเท้ามหาพรหมปฏิเสธพรหมชั้นสูงกว่านั้นปฏิเสธพรหมชั้นล่างกว่านั้นอ่ะนะนั้นพรหมนี้เป็นใครเดี๋ยวค่อยกล่าวอีกครั้งหนึ่งจะสัพท์นี้เป็นสัมบินตนแะแปลว่ารวบรวมรวบรวมว่าพรหมมาจะโลกาพรหมไม่ใช่พรหมมาท่านเดียวแต่มาเยอะมาก มาทั้งพร ม, พรม ใ, นในจักรวาล น, นี้ด้วยพรมจรักรวาลอื่นด้วยมาเป็นหมื่นจักรวาลก็เลยเรียกว่าบรมมาจะโลกาธิปติเนนะจะตัวนั้นเะนี่ยหมายว่าพรมด้วยด้วยเนี่ยด้วยไหนเขาบอกโอ้ยพรมมาหลายจักรวาลหมนะ oka, ื่นจะักรวาลเลยบรมมาจะโลกาธิปติเนะโลกะโลกเนี่ยนะหมายถึงว่าโดยศรรพัพเนโลกมีอยู่สมอย่างสังขารโลกสัตวลโลกและโอกาสโลกแล้วคําว่าโลกาธิปติละ่ะหมายถึงอะไร คำว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกหมายว่าใหญ่เท้ามหาพรหมเนี่ยใหญ่กว่าบรรดาสัตว์โลกเลยเชื่อว่าโลกาธิปติเรียกว่าโลกาธิบดีอ่าทิบดีกรมนั่นกรมนี้ก็คือใหญ่ที่สุดในกรมนะเรียกว่าอธิบดีเนี่ยโลกาทิบดีก็คือใหญ่ในโลกก็เรียกว่าโลกาธิบดีเพราะเป็นใหญ่เป็นเจ้าแห่งสัตว์โลกผู้เป็นเจ้าส่วนหนึ่งแห่งโลกเรียกว่าโลกาทิบดีเหมือนอะไรเหมือนเทวาธิบดีใหญ่ในหมู่เทวดา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 ท่านได้บวชในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อนื่นนานมาแล้วเนี่ยนะเมื่อพุทธันดรก่อนนู่นนะ่ะท่านทําปฐมฌานให้เกิดทําฌานให้ไม่เสื่อมเป็นฌานประเภทวิเศษภากคียะจริงๆแหละเรียกว่าเป็นฌานที่วิเศษมากนะไม่ใช่หาณาภาคียะไม่ใช่ทิติภากคียะแต่เป็นปฐมฌานประเภทวิเศษภากคียะ ทานปกปักรักษาดูแลอย่างดีจนสิ้นชีวิตก็บังเกิดเป็นมหาพรมมีอายุกับหนึ่งในปฐมฌานภูมิสมัยนั้นเขาก็จําพรมองค์นั้นกันได้ว่าเท้าสามบดีพรมนะสามบดีพรมก็คือสหกะภิกษุนะทิบดีก็คือเป็นเป็นใหญ่นะสหกะผู้เป็นใหญ่ในหมู่พรมก็หมายถึงพรมองค์ น, นี้แหละที่จริงควรจะใช้ศัพท์ว่าสหากะปฏิแต่ก็เรียกว่าสหมปติก็โดยเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ บทว่ากตัญเฉลีก็คือมีอัญเฉลีอันธรรมแล้วแปลว่ากระพุ่มอัญเฉลีไว้เหนือเหนือเสียงเนี่ยนะก็เรียกว่าพรมยกมือท่วมหัวอณาทิวรังถ้าหากว่าดูในในหน้าหนึ่งประกอบด้วยจะเข้าใจที่บอกว่าประคองอัญเฉลีทูลขอพรอันยอดเยี่ยมคําว่าอณาทิวรังแปลว่าพรยอดเยี่ยมคือพรที่ล่วงส่วนพรที่ยิ่งไม่มีพรไหนมันจะยิ่งวันนี้อีกแล้วเลยเรียกว่าอณาทิวรัง พรยอดเยี่ยมในบรรดาการขอทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าสุดยอดของการขอไม่มีคําขอไหนจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็คืออะไรขออะไรขอให้แสดงธรรมวันนั้นคำเนี่ยเป็นคําขอที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นพรที่ไม่มีพรใดยิ่งไปกว่านั้นเป็นพรที่ยอดเยี่ยมอาญาจะถะได้อ้อนวอนแล้วก็เชื้อเชิญเนี่ยนะขอจงละขอจงขอทรงเนี่ยนะก็คือเป็นคําประโยคอ้อนวอนขอร้องเชื้อเชิญเนี่ยนะ บัดนี้ท้าวสามบดีพรมนั้นทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประโยชน์อันใดก็เลยแสดงประโยชน์อนนั้นกล่าวคำเป็นต้นว่าสันติธาสัตตามาจากคำว่าสันติบวกอิทะสันติแปลว่ามีอยู่อันเขาได้อยู่อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายที่มาสู่คลองพุทธจักสุมีอยู่สันตินี่มีอยู่นะหมยายความว่า คนที่พอจะบรรลุธรรมเนี่ยจริงๆแล้วพระองค์เห็นแล้วล ะ, ะพูดนะจริงๆแล้วพระองค์เห็นเขาแล้วละในในโลกนี้อ่ะนะในโลกนี้แต่ว่าตรงนี้ก็แม้สันติสันติบวกอิทะก็รวมกันเรียกว่าสันติทะก็เลยมาเล่นขยายศัพท์ก่อนในตอนต้นๆของการแสดงคมภีทุกคำพีเนี่ยนะโดยมากพระ อ, า, อาจารย์จะ จะรวบรวมศับว่าสั์นี้นะในพระไตรปิฎกมีกล่าวกี่แห่งแต่ละแห่งมีความหมายอย่างไรบ้างเป็นตัวเนี่ยจะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคนที่เรียบเรียงคมภีร์อัตถกถาไม่ใช่นักมั่วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสเปะสปะนี่ง่ายอ้างปาเลียนนะอะไรนะเขาอย่างที่เขาถกเถียงกันนะบอกว่าอ้าวทุกอย่างเราทําอะไรไม่ได้หรอกอ้าวรู้ได้ยังไงว่าทาอะไรไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพรานเราก็ไม่ต้องทําอะไรสักอย่าง เพราะมันทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีอัตราที่ไหนไปทำไหนนี้ก็ได้หรือบอกว่าอะไรนะเขาถกกันบางทีอ้างมั่วๆก็มีอะไรแนะ่ว่าถ้าทะเลาะกันว่าสัตด น, น, น้ํา ก, กนกนากับกษัตริย์บกกันไหนมากกว่ากันบอกโอ้ยสัตวดน้ามากกษัตริย์บอกสิอ้าบาลีมาอ้างว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกวาไ้นั่นก็คือมันมันคนละเรื่องไปเลยก็มีอันนัก็ไอาการอ้างแบบนั้นในยุคนี้มีมากมาย มันโบราณเนี่ยท่านก็นบอกว่าการอ้างยกศัพท์วศัพท์นี้มีความหมายอย่างนี้ศัรรพท์นี้มีความหมายอย่างนี้แสดงว่ารู้ความหมายอย่างอื่นก็เลยยกมาให้ดูว่าอิทธศัพท์ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีหลายความหมายเช่นหมายถึงาศาสนาก็มีหมายถึงโอกาสก็มีหมายถึงเป็นศัพท์แค่ทาบทให้เต็มก็มีหมายถึงโลกก็มีหมายถึงาศาสนานี้ก็มี ยกตัวอย่างเช่นว่าอิท่เนี่ยที่แปลว่านี่อะไรนี้นี้นี่อะไรนี้อะไรนี้หมายถึงศาสนานี้เช่นอิท่าพิขเวสมโนอิท่ทุติโยสัมโนอิท่ตัติโยสัมโนอิท่าจตุโถสัมโนสุญญาปรับปวาทาสมเนพิอันเยหิอิเทวะเนี่ยนะมีว่าอิเทวะเสร็จแล้วก็อิท่ทุติโยอิท่ตติโยอิท่าจตุโถ อิท่มีทั้งหลายแหง่งอิท่ตรงนี้แปลว่าในศาสนานี้แปลว่าดูก่อนพิสูจน์ตั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในศาสานานี้คือพระโสดาบันมีในศาสานานี้สมณะที่สองคือพระสกท า, าคามีมีในศาสานานี้สมณะที่สามคือพระนาคามีมีอยู่ในศาสนานี้สมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสานานี้เ ท, ท่านั้นส่วนลัทธิอื่นที่ไม่เป็นไปตามอริยมรตมีองค์แปด ว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้คือว่างจากพระโสดาบันว่างจากพระสกทาคามีว่างจากพระอนาคามีว่างจากพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นพระอรยะบุคคลทั้งหลายมีอยู่เฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นพันนี้นี้หมายถึงศาสนาถ้าจะโยกแปลนี้แปลว่าอะไรอิทัทุติโยเนี่ยนะสมโ น, นบอกว่าที่สองนี้นี้ไหนก็คือนี้คือนในศาสนานี้เพราะฉะนั้นเวลาโยกขึ้นมาพันอิทัแปลว่าศาสนานี้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 ตอนที่ไปยืนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในถ้ำทําอะไรทําอินทสาระเนี่ยนะถ้ำอินทสาระเนี่ยนะใกล้กรุงราชเชื้อคือถ้ำเนี่ยเอ่อท้าสา ก, าก็เข้าไปฟังธรรมฟังธรรมเนี่ยนะขณะที่จัดสิ้นอายุแล้วเนี่ยท้าสา ก, ากเกือบตายแล้วนะเขไปฟังธรรมพอฟังธรรมจบก็เป็นพระโสดาบันต่ออายุได้อีกสามสหกล้านปีอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะสถานที่ตรงนี้นี่พิเศษมากว่างนั้น เพราะฉะนั้นอิเทวติธรมานัสสะเทวภูตัสสะเมสิโตเนี่ยอิเทวเนี่ยสถานที่ตรงนี้นี่ไม่ธรรมดาว่างั้นหมายถึงโอกาสโอกาสก็คือสถานที่นั่นแหละบางแห่งเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยัยว่าอิท่าเนี่ยเป็นแค่แค่ทาบทให้เต็มพระท่าปุรณะเนี่ยประดาแปลว่าบท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 อิทาหังเนี่ยนะอิทาบวกอาหารเนี่ยอิทาแปลว่าเรานี้นี่แค่แค่ว่าคำเพาะสระส่วยไปแค่นั้นนะนะแต่บ้างแห่งก็หมายถึงโลกว่าเช่นอิทาตถาคตโตโลเกอุ ป, ปันโนอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูหรือแบบที่เราสำบัดเช้านะอิทาตถาคตโตโลเกอุ ป, ปันโนอรหังสัมมาสัมพุโทโว ธรรมโมเจเทสิโตนิยานิโกุปส萨มิโกปริญิพานิโกสัมโพุธคามิสุขตาปเวธิโตเนี่ยนะอิทธะตัวแรกตัวนั้นอนะ่ะอิทธะตถาคโตโลเกเนี่ยนะอิทธะตัวนั้นหมายถึงพระตถาคตอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้คือในหมู่สัตว์โลกนี้พระองค์เกิดทําไมอุปัช ต, ติพระหุชนะหิตายพระหูชนะสุขายะพระองค์เกิดมาพระหุชนะก็คือเพื่อเพื่ออะไร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 เขาก็มีอคําว่าพระโหชนาฮิตายะนะฮิตะฮิตายะสุขายะเนี่ยนิย้อนไอคำเมื่อกี้เนี่ยนะว่าอิท่าตถาโตโลเกเนี่ยอิท่ตัวนั้นแปลว่าในโลกนี้คือในหมู่สัตว์โลกนี้แต่ว่าศัพท์ตรงนี้เนี่ยนะศัพท์ว่าอิท่ตรงนี้เนี่ยนะอิท่ตัวนี้มาจากไหนสันตีทะสันตีทะเนี่ยนะสันตีทะสันติบวกอิท่เนี่ยนะอิท่ตัวนี้แปลว่าในโลกเนี้ย แปลว่ามูสัตว์ในโลกนี้ที่พอจะบรรลุมรรคผลได้มูสัตว์เหล่านั้นได้มาสู่คลองจักสุของพระพุทธเจ้าหมดแล้วอันพวกที่บรรลุนะพระองค์เห็นหมดแล้วว่างั้นนะนะสันติทะสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์แปลว่าอะไรสัเพสัตตาเวราโหนตัวอพยาปชาหนตัวอณีคาหนตัวสุขียตนังปริหารตัวสัเพสัตตาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายแปลว่าอะไรสัตตาสัตตะ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 ก็คือกลุ่มที่ยังติดข้องในขันห์ทุกชนิดทุกคนทุกประเภทเรียกว่าสัตว์หมดแต่คำนี้ก็รวมถึงพาทรหรันด้วยว่าอาดีตพาทรหรันท่านก็เคยติดในขันห้าพารหันก็เลยเรียกว่าสัตว์เหมือนกันที่จริงอ่ะสัตว์เนี่ย ไ, ไม่ได้หมายถึงพาทรหันด้วยหรอกแต่ว่าเราอาดีตนะเช่นคือเมื่อก่อนเนี่ยพารหันทั้งหลายก็เคยเป็นสัตว์ มันก็เลยเรียกว่าสัตเพสัตตาก็รวมทั้งผู้ที่ติดในขันห้าด้วยทั้งไม่ติดในขันห้าด้วยอเวราโหนตุเนี่ยนะยได้มีเวรเลยสุกิตาโหนตุอยู่เป็นสุตุเนี่ยนะมันคำว่าสัตว์นี่หมายถึงติดในขันห้าด้วยฉันทราคะขัดข้องในขันห้าด้วยฉันทระเกี่ยวคล้องใจกับตัวเองไว้กับขันห้าด้วยอํานาจตัณหาก็เรียกว่าสัตวสัตว์มีชีวิตเลยเรียกว่าสัตตา ก็บอกเพราะนั้นขยายความว่าโวหารคำว่าสัตว์นี้ใช้แมในท่านผู้ปราศจากราคะแล้วมันผ่ารหัสปราศสิ้นราคะก็ยังเรียกว่าสัตยูอัประชกข์ชาติกากิเลสในทุลีมีราคะโทสะและโมหะในดวงตาที่สาเร็จด้วยปัญญาของสัตว์เหล่านั้นมีเล็กน้อยสัตว์เหล่านั้นมีสภาพอย่างนั้นเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีกิเลสดุธุลีในดวงตาน้อย หรือว่ากิเลสดุดธุลีมีราค่าเป็นต้นของสัตว์เหล่าใดมีน้อยสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีกิเลสดุดทุลีน้อยก็แปลว่าคนกิเลสเบาบางนะคนมีแต่ว่ามันมันน้อยอะนะก็แปลว่าป่วยเหมือนกันแต่ว่าป่วยเล็กน้อยอะนะป่วยทางใจนิดหน่อยว่างั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าอัปปะชกขะชาติกาเพราะมีกิเลสดุดธุลีคือราคาโทสะโมหะเนี่ยนะในดวงตาปัญญาเนี่ยน้อย เทเสติเนี่ยนะทำมังเทเสหิเนี่ยนะแปลว่าอ้อนวอนหรือว่าขอโปรดแสดงโปรดกล่าวโปรดสอนทำมังทำมังสับว่าธรรมะเนี่ยนะโอ้ยาะเราไปเรียนเรียนอะไรเรียนธรรมะบอกธรรมะตรงนี้ยกตัวอย่างมาแปลให้ดูตั้งเนี่ยตั้งสิบนเนี่ยนะเก้านายสิบนเนี่ยธรรมะเนี่ยบอกเรียนอะไรบอกเรียนธรรมะธรรมะบางทีแปลว่าปริยัติก็มีธรรมะบางทีก็หมายถึงสมาธิบางทีหมายถึงปัญญาบางทีแปลว่าปกติ บางทีก็หมายถึงสภาวะบางทีก็หมายถึงสุญญต า, าความว่างเปล่าเนี่ยนะบางทีก็หมายถึงบุญบางทีก็หมายถึงอบัตบางทีก็หมายถึงยญายธรรมคือตามที่ควรรู้บางทีก็หมายเอาอาริยสัจจะทะนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยแปลว่าเรียนอะไรเรียนปริยัตขออังก้นท่าบอกว่าไปเรียนธรรมะเรียนปริยัตถ้าปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติในศิกขาสามเป็นต้นคือศัพท์ว่าธรรมะเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยตรงนี้ยกมาเก้าถึงสิบตัวอย่าง แต่จริงๆอ่ะมีกว่านี้อีกเยอะคำว่างั้นอ่ะเป็นต้นนะจะใช้คําว่าเป็นต้นเผื่อไว้ทางเลือกอื่นด้วยเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นมาธรรมะมีความหมายว่าปริยัติก็ได้นะในพระไตรปิฎ ก, ก น, นะเช่นอิท่าพิกุธรรมังปริยาปูนาติสุตังคยังเวยาการนังสุตตะคยะ่วยาการณะเป็นต้นนะภิกษุในศาสนานี้ย่อมเรียนธรรมะคือสุตตะคยะ่เวยาการณะทาท้าอุทานอิติวุตกาชาตกาภุตธรรมเวทละเนี่ย คืก็คือบางพวกก็เรียนแบบอลรักขทูประมาปริยัติเกีวเรียนแบบพวกจับปัสสาวพิษที่หางบางพวกก็เรียนเพื่อจะปลดเปื้องต้นให้พ้นจากทุกบางพวกคือผ้าอรหันต์ก็เรียนเพื่อรักษาแบบแผนวงของผ้าอรหันต์เอาไว้เพราะฉะนั้นคําว่าอิท่าพิคุทำมังปริยาปุนาติเนี่ยนะทำมังตัวนั้นหมายถึงปริยัติธรรมหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์9ก็คือสอนอเปลี่ยนพระไตปิฎกนั่นเอง บางทีเนี่ยนะสับธรรมัพั์แปลว่าปัญญาก็มีเช่นในคาถาที่ลิงกจราเข้เนี่ยจำได้นหะลิงกจราเข้ที่ลิงเหยียบหัจระ เ, เข้ข้ามไปเนี่ยนะท่านจระ เ, เข้เขเลยบอกว่ายัตเสเ ต, เตจตุโรธรรมมาวานรินทายถาตวะสัจจังธรรมโมทิตาโคทิถังโสอติวัตติท่านพยาวานนท์าำของใครจระเข้จราเข้บอกว่าท่านพยาวานนท์ผู้ใดมีธรรมะสีประการคือสัจจะ มีธรรมะคือมีปัญญามีทีติมีจารคะเหมือนอย่างท่านคือท่านลิงท่านนะมีสัจจะมีธรรมะมีทีติมีจารคะใครที่มีคุณธรรมอย่างนี้นะโอ้ยล่วงพ้นศัตรูได้ศัตรูทําอะไรไม่ได้หรอกคำว่างั้นเละมีความสามารถขนาดนี้ศัตรูทําอะไรได้เพราะนั้นธรรมะยัตเสเตจตุโรธรรมมาธรรมะตัวแรกเนี่ยหมายถึงสภาวะธรรมนะ ส่วนธรรมะตัวหลั ง, นจจงรรเนี่ยสัจจังธรรมโมทิตจารโหเนี่ยสัจจังธรรมโมทิตจาโคธรรมะตัวนั้นอ่ะแปลว่าปัญญาอันนี้ในคาถาอะไรนะในเรื่องในชาดกอ่ะลิงกับจรเข้ส่วนบางทีนี่ก็แปลว่าปกตินี่นะเช่นชาติธรรมมะชาราติธรรมมาอัฐามารณธรรมมิโน สาตทั้งหลายมีชาติเป็นปกติคือเกิดเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆะนะการเกิดเนี่ยนะบอกโอ้ยเกิดแล้วบอกว่กปกติอย่างนั้นนะแก่แล้วอันนี้ก็ปกติอีกตายแล้วอันนี้ก็ปกติแปลว่าธรรมดาธรรมะตัวนี้แปลว่าธรรมดาก็ได้เนี่ยนะปกติก็คือมันธรรมดาแกก็เนี่กิดก็ธรรมดาแกก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาเนี่ยนะแต่ไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าบอกว่าเราตายเป็นธรรมดานะี่ยไมอยากได้อยากฟังเท่าไหร่นะั่นนะ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 บางทีธรรมะแปลว่าสภาวะก็ได้เช่นกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลก็หมายถึงจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นรูปารมณังวามีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้นเลยนะหรือว่าสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็เพราะว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเจือด้วยราคะโทสะโมหะหรือว่าอัพยากตาธรรมะสภาวะที่เป็นอัพยากตะเช่นรูปวิบากกิริยานะวิบากและกิริยา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 พระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์สองกลางวันเนี่ยนะแดดจ้าสว่างสองเนี่ยที่ไหนบางที่ดวงอาทิตย์ไม่สองเนะมันก็ฉันนั้นแหละส่วนธรรมะหมายถึงอริยสัจก็มีเช่นทิฏฐธรรมโมปัตะธรรมโมวิทิตฐธรรมูเช่นว่าผู้ที่ฟังธรรมจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเนี่ยอย่างเช่นไขมังสุปปุท ธ, ธกุติหรือแม้กระทั่งว่าอุบาลีครหะบดีเป็นต้นเนี่ย เขาชื่อว่าพวกทิฏฐธรรมโมปะตะัตตธรรมโมวิทิฏฐธรมโมเพราะอะไรแปลว่าผู้มีสัจธรรมสีหรือผู้มีอริยสัจทั้งสี่อันตนเห็นแล้วเรียก ว, ว่าทิฏฐธรมโมนะทิฏฐธรมโมก็คือคนเห็นอริยสัจแล้วปะตะัตตธรรมโมก็คือบรรลุถึงอริยสัจแล้ววิทิฏฐธรรมโมก็แปลว่ามีสัจจะสี่อันรู้แล้วหรือรู้แล้วซึ่งสัจจะสี่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ต้องเชื่อคนอื่น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 ในที่นี้เนี่ยนะมีความหมายว่าอย่างไรในในคถาที่โพรมราลัตนาเนี่ยนะบรมมาจโลกาทิปฏิสามปฏิกัดอันชลีอันติวังอายาจทะเทเสตุธรมมังอะธรรมะตัวนั้นเนี่ยขอพระพุทธเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมเธอหมายถึงเท้าสามบดีพรมเนี่ยต้องการให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะอะไรในธรรมะตั้งยกมาแต่เป็นตัวอย่างตั้งสิบ บอกหมายถึงอริยาสาจัจธรรมขอให้พระพุทธเจ้าแสดงอริยาสัจธรรมเธอแสดงธรรมเพื่อการกําหนดรู้ทุก์เธอแสดงธรรมเพื่อละสมุทัยเธอแสดงธรรมเพื่อทำท่านิพพานให้แจ้งเธอแสดงธรรมเพื่อเจริญอริยมรรคเธ อ, อนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอนุกรรมปะก็คือขอพระองค์อาศัยความกรุณาเนี่ยอนุกรรมปะที่เรียกว่าอนุเคราะห์ก็คือกรุณานั่นเองขอให้กรุณามู่สาบ ด, ด้วยเธอ